งปฏิัติตามกันก็จะหมดอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้ตอาบัดเย็นทั้งวันเราก็ได้สร้างบรารมีกันถ้าเป็นการทำบุญก็สูงที่สุดบุญคือเจอของความสุขที่ได้มาโดยชอบบุญ การรสึกตัวเป็นตัวบุญเป็นบุญที่หาได้ทุกๆกันนะในตัวเราเป็นบุญเป็นบารมีการเคลื่อนมือเคลื่อนไหวแต่ละจังหวะเป็นบุญเป็นบารมีเดินจงกรมแต่ละขณนะเป็นบุญเป็นบารมีเพราะว่าจิตมันถูกฝึกฝน ให้อยู่กับปัจจุบันกันนะไม่ไปอดีตไม่ไปกาบอนาคตกำลังอ่านกายอ่านใจใกายใจเป็นตาราเล่มใหญ่เราศึกษาเรื่องของชีวิตตัวชีวิตประกอบด้วยกายด้วยใจพลังงานต่างๆมากมายที่ต้อง รู้จักแล้วก็นํามาใช้ให้ถูกต้องการเคลื่อนไหวมือมันเกิดอุบเบกขาบารมีขึ้นมารู้ซื่อๆรู้เฉยๆตัวกลางที่ซื่อเฉยๆตัวซื่อๆเฉยๆมันจะไปซื่อๆเฉยๆก็อีกหลายๆอย่างเป็นบารมี เฉยรู้ขณะที่ฝึกเกิดมือสิบสี่าเกิดอะไรมากมายที่ให้ต้องทนความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายเราก็อดทนเป็นขันติ บ, บาลมีขึ้นมาเป็นวิริยะบรารมีขึ้นมาขยันเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่อง มากมายมันได้อยู่ทุกๆขณนะมันไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเกิดเมตตาบรารมีขึ้นมาคิดถึงกนชังเจ้ากรรมในเวรกลัวอาฆาตพยาบาทอลิราสัตรูต่างๆมันเกิดขึ้นมาทุกคนก็มี คนที่ชอบคนที่ไม่ชอบสารพัดมันก็อดแวบใบายออกไว้แล้วก็ให้อภัยกันเอาวัตถิกรรมเป็นเมตตาบา ร, รมีเกิดขึ้นยงกดแเราก็ไม่ได้ตกก็มีเมตตาลูปเนื้อลูปตัวปัดถ้าขาดสติเราก็ไม่มีเมตตาก็ตกพุลงไป ปัญญาบาลมีเปลี่ยนหลงเป็นรู้หลงไปไหนมันก็ไปไม่ได้ไกลครับเปลี่ยนกลับมารู้สึกตัวเรามันง่งงเอาหานอนรู้สึกตัวมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็รู้สึกตัวไปทางตาก็กลับมารู้สึกตัวไปทางหูก็รู้สึกตัวความคิดแปเดี๋ยวนะก็กลับมารู้สึกตัว เกิดอะไรขึ้นก็ตามมันเป็นเพียงกิริยาอาการเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวมันก็ชัดเจนเป็นปัญญาบารมีเราก็สั่งสมไปวันแล้ววันเล่าจานเกิดการเติมเต็มอิ่มมีเต็ม ทุกขณนะไม่เผลอมันเต็มนะเกิดความมั่นคงนะเกิดความมั่งคัง่งอริยจัปภัยในเกิดความเป็นอริยะขึ้นมาได้อริแปลว่าศัตรูยะแปลว่ราระยะศัตรูที่เกิดขึ้นมาทำไมเกิดภัยขึ้นมา ส่วนใหญ่คือความไม่รู้ตัวหลงหลงแล้ว้าไปยึดก็เป็นอุทานหลงก็เแแสวงหาทะยานอยากเป็นตัณหามันก็จึงเป็นเรื่องของใครของเราที่ต้องสร้างสรรสริสร้างจานทำมันเกิดความฉลาดทางจิตขึ้นมา เป็นล้วษนณะความฉลาดที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการภาวนาขยันรู้จนมันอกมันใจหายสงสัยในการกระทํามันจะไม่มีคําถามว่าทําทําไมทําไมต้องปฏิบัติทำมันไม่มีการทําไมไม่มี ม, มีแต่เรื่องว่าเออทําไปให้ทําก็ทํา เกิดศรัทธาความเชื่อจิต ใ, ใจก็เกิดปลาโมดตื่นรู้ขึ้นมาเกิดปิติเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดการเดินทางสู่มรรคสู่ผลเป็นเทวดาเป็นพรหมวางจากความเป็นเทวดาเป็นพรหมทำหน้าที่ พระวัตเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเฉพาะหน้าก็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทำแล้วก็ไม่ได้ยึดทำแล้วดีทำแล้วไม่ดีมันได้ยึดแบบนั้นเพราะมันทำมันสว่าทำทำประวัตเป็นเรื่องที่ทำทำแล้วก็แล้วไปมันจะเหมือนกับเราทำทั้งวันแหละเจริญสติฝึกสติ แต่พอทำแล้วก็แล้วไปมันหายใจหายใจแล้วแต่ละครั้งก็แล้วไปมันแล้วแล้วก็แล้วไปมันไม่มีว่าหายใจทำไมทำไมต้องหายใจรู้สึกตัวแล้วก็แล้วไปเป็นปัจจุบันขณะมันก็เลยสั่งสมเป็นอดีตที่เป็นความดีความงามแล้วก็พาไปสู่อนาคตที่มีความสําเร็จ เป็นปัญญายาณเป็นปัญญาที่มันทะรุทะลวงไปเลยเกิดความเป็นเองขึ้นมาทุกยากสุขง่ายมันไม่ใช่ทุกไม่ได้แบกไม่ได้หามมันมีแต่ปล่อยต่วางความรู้สึกตัวตัวเดียวมันพาไปแท้ อาจจะมีบทสนทนาบ้างการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นปัญญานะแตเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังสุตตานิยั ญ, ญาเกิดการใไขครวนแ ย, ยบกายเปรียบเทียบต่างๆได้ข้อสรุปตรงประเด็นก็เป็นโยนิโสมัสิการ mm. การคิดอย่างแ ย, ยบกาย มันที่เปนเกิดขณะปฏิบัตินีมันก็คิดอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันก็คิดถึงปัญหาเก่าๆในอดีตบางทีมันก็ปิ๊งขึ้นมาการงานที่เคยคิดไม่ออกแก้ไม่ตกมันได้ก็สรุปขึ้นมาระหว่างปฏิบัติทำอันนี้แหละมันก็คือกระบวนการที่ทําใจแยกกายแล้วคิดแต่เวลาปฏิบัติทำแนวหลงมเตียนเนี่ยเราไม่ต้องเจตนาคิด เราเดินปฏดีจเดินเดินเพื่อกระทบสัมผัสรู้สึก mm hmm. เคลื่อนไหวรู้สึก mm hmm. เคลื่อนไม้เคลื่อนมือรู้สึก mm hmm. มันแค่ความรู้สึกตัวจะมารู้สึกในรายละเอียดต่างๆ mm hmm. เป็นอาการปีกย่อยของจิตอารมณ์ต่างๆที่กำลัมากระทบเกิดขึ้นมาของจิตความเป็นเองต่างๆขณะปฏิบัติ เราไม่สามารถรู้ได้เหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าต่อไปนี่มันคืออะไรอารมณ์อะไรที่มันจะจอดมาจะเกิดเหตุปัจจัยอะไรเราก็พร้อม <Yeah. S 1> เปิดเผยตัวเอง <Yeah. S 1> อาแขนรับทุกทุกอารมณ์อันนี้ก็คือสภาวะผู้ดู <Yeah. S 1> ดูได้ทุกอารมณ์ ดูได้ใจที่เป็นกลางดูได้ใจที่ปล่อยวางดูได้ใจที่เป็นปกติอันนี้แหละมันเป็นการสั่งสมบรารมี1วัน2วัน3าวันหนงปี2ปี3ปีจนหลายหลายปีเห็นซ้ำๆเห็นแล้วเห็นอีกเห็นทุกครั้งก็ตื่นตาตื่นใจทุกครัง้งตื่นทุกนะเคยตื่นโนกตกใจเคยตื่นกลัวเคยหวาดผวา เคยตื่นบนกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ว่าไม่เคยรู้เท่ารู้ทันสักครั้งหนึ่งกิเลสอปกิเลสมันตินเครื่องเศร้าหมองความโลภความโกรธความหลงรบหลู่เป็นคท่านอิจฉาริจยาม า, ายาสหาไถ่้ยอยเลื่มเกวียน ลามกจกเปรต <Yeah. S 1> พูดจาไป <Yeah. S 1> เพื่อเจอสาเสียดคำหยาบโกก <Yeah. S 1> เห็นผิดเป็นชอบ <Yeah. S 1> เห็นกกงจักเป็นดอกบัว <Yeah. S 1> มันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันก <Yeah. S 1> ิเลสเป็นเหตุแห่งทุก <Yeah. S 1> มันก็เกิดความเป็นอริยขึ้นมาถ้ามีภาวะผู้ดู <Yeah. S 1> มีการเปรียบเทียบมากมาย yeah. ไม่ว่าจะเป็นบารีหรือว่าจากผู้รู้ต่างๆแต่พอเราปฏิบัติแล้วจะเป็นอาการทั้งหมดสรุปเป็นอาการทั้งหมดกายก็เป็นอาการกายสกายญาิทิฐิมีความเห็นยึดกายเป็นกูมันก็เห็นสกายญาทิฏฐิขึ้นมากายไม่ใช่กูกายมันคือกายธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม ประชุมกันไม่พอดีก็เจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมามันก็เป็นอาการของกายไม่ใช่กายป่วยใจจะต้องป่วยป่วยกายไม่ต้องป่วยใจใจก็ปกติอยู่ก็มีปัญญาหาทางที่ช่วยเหลือผ่อนคลายบรรเทา บางทีกายเราเตือนท่าดินท่าน้ำทาาไฟทาาลมมันก็มากไปน้อยไปฝ่าสมานหวานซาบเนื้อเมาเบื่อขับพิษดีโลหิตต้องลดขมขับลมต้องเผ็ดร้อนเห็นอ่อนต้องมันหอมชื่นใจให้หัวใจเค็มนั้นใจให้ผิวหนังเสมหังต้องรดเปรี้ยวหนึ่งเดียวคือลถจืด บางทีมันไม่สมดุลกันขมมากไปก็เฉยเนื่อยอย่างเงี้ยในพอดีหวานมากไปปะลังไม่ได้ใช้ก็กลายเป็นโรคภัยใกล้เจ็บเบาหวานน้ำตาลเกินมันมากไปก็อุดตันเจนเลือดในสมองในระบบหัวใจเข็ม ก, โก็โรคไตโรคจารพัด มันจึงต้องมีความพอดีแต่แค่ไหนเรียกว่าพอดีอันนี้ต้องมีประสบการณ์ฉันใดก็ดีการยกมือสิบี่จังหวะหรือว่าเดินชงกลมก็เหมือนกันมันก็ต้องมีความพอดีแต่บางทีงอาจจะเร็วบ้างช้าบ้าง <c oughs> เพราะว่ามันต้องแข่งการลมเช่นง่วงๆจะไปทําให้มันช้าๆมันก็ไม่สนุกหรอกมันก็ต้องเดินตบเท้าแรงๆยกมือสั่งจังหวะ ย้ำกดกระแทกลงไปบ้างปลุกเหมือนการปลุกปลุกธาตรู้นะความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นให้ความง่วงอยู่ข้างหลังความคิดอยู่ข้างหลังเราก็พุ่งไปข้างหน้าเป็นปัจจุบันขณะอดีตก็อดีตความง่วงเป็นอดีตไปอยู่ข้างหลังแต่สติออกหน้าออกตามีความพอดี แต่ในเมื่ออารมณ์มันแรงก็ต้องใส่น้ำหนักหมัดลงไปให้มันแรงจะได้พอดีกันพ <c oughs> ลังของความหลงมันจะได้อยู่ข้างหลังพลังความรู้จะได้อยู่ข้างหน้าเราก็เห็นติดเห็นตางเป็นแสงสว่างแห่งปัญญานำเราไปเกิดวินัยขึ้นมากายดันที่มันจะหลับมันจะง่วงก็เกิดการปรับเปลี่ยนนิสัย จากง่วงเป็นความไม่ง่วงขึ้นมาเป็นเวลาไม่ต้องนอนก็ไดนะ้เนี่ยคือการฝึกหัดความคิดเหมือนกันมันจะคิดอะไรอดีตมันก็อยู่ข้างหลังตอนนี้รู้สึกตัวมันอยู่กับปัจจุบันมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทิ้งอดีตมาอยู่กับปัจจุบันแต่มันจะไปข้างหน้าที่เป็นความเพ้อฝันต่อไปเองไปสู่อนาคตเป็นความกังวลลังเลสงสัยต่างๆ ในทิศทางเดินข้างหน้าเราก็ต้องเบรกกันไว้หน่อยช้าไว้หน่อยเบรกไว้หน่อยโดยการมีสมาธิลงไปกับปัจจุบันมันจะพุ่งพวดไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีบางทีมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดสนุกสนานปิติาเงี้ยทำแล้วมันสนุกทำแล้วเพลินทำแล้วมั น, นมัน บางทีเคลื่อนมือมกันเร็วผิดปกติความเบาวันพาทำความขยันมันพาทำเราก็ต้องเบรคกันไว้หน่อยมันก็จึงต้องมีพลังในการฝึกจิตต้องมีพลังพลังของศรัทธาต้องมีพลังของวิริยะต้องมีพลังของสติต้องมีพลังของสมาธิต้องมีพลังของปัญญาต้องมี ให้มันสมดุลให้มีความพอดีรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทำได้เรื่อยๆเกิดความพอดีก็ <Yeah. S 1> จะเห็นความราบเรียบราบรื่นเก <Yeah. S 1> ิดพลังในการปฏิบัติ <Yeah. S 1> เหมือนนักวิ่งมาราธอน <Yeah. S 1> การวิ่งมาราธอนไม่ใช่อยู่ๆวิ่งเหมือนวิ่งร้อยเมตรพอลงสนามปั๊บก็บุกเลย ไปไม่ได้ไหเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ล่วงการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันต้องมีเทคนิคยืดอกเอาปลายเท้าลงโน้มตัวลงไปข้างหน้าเท้าไม่ต้องออกแรงมากเพียงแค่ออกรับไม่ให้ลม้มท่านนั่นเองวิ่งไปเก้าเดียวเก้าเดียวเก้าเดียว<ง>มีเทคนิค การสร้างจังหวะ ก, การเดินจงกรมปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานก็มีเทคนิคเหมือนกันทำเป็นจังหวะมีเคลื่อนมีหยุดมีเคลื่อนมีหยุด ค, ความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปนสนใจใส่ใจไม่ต้องคิดพิจารณาไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปเอาความชอบความไม่ชอบอยู่เหนือดีเหนือชั่วไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัว มันถึงง่ายเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเราเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมาสังเกตแล้วก็จดจำมาไว้มันก็ง่ายอ่ะล่ะไม่หลกห ล, ลุงหลังไม่สับสนยุ่งเหยิงไม่ทำแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้อะไรปฏิบัติมันเหมือนมีความก้าวหน้าโล่งโปร่งเบา รู้ทันความคิดเร็วขึ้นรู้ทันมากขึ้นคิดปปับรูปปุ๊บคิดปปับรุปปุ๊บทาไมไม่คิดลรวก็รู้สึกตัวต่อไปรู้แล้วรู้อีกคนที่มีสมาธิมากเกินไปมักจะนั่งไม่อยากยกมือนะมักจะนั่งเล่นเล่นนิ่งๆแสดงสมาธิมากไป ก็ต้องมีวิริยะขยันเคลื่อนลงไปคนที่มีวิริยะมากขยันเคลื่อนมากก็ทําแต่ว่าจิตไม่ค่อยนิ่งจิตกระจาฟงสั้นคิดมากกำลังสมาธิไม่ค่อยพออันนี้ต้องใส่เจตนากาหนดรู้ลงไปเราก็รู้ให้เป็นจังหวะให้ถูกต้องบางคนก็เชื่อมากไป เชื่อแล้วไปทำก็เป็นการกล่อมตัวเองมีศรัทธาจนโง่หลงงมงายแค่ให้ทำก็ทำไม่รู้ว่าทำไปทาไมแต่ดูเหมือนว่าทำแล้วมันเป็นความหวังใหม่ของชีวิตอย่างเงี้ยทำด้วยปิติจะ ก, กลายเป็นว่ากล่อมตัวเองไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำแล้วสบายมีความสุข เพราะนั้นศรัทธาต้องทวงด้วยปัญญาตรงไหนที่คือตัวปัญญาคือมันรู้ซื่อๆรู้สึกตัวซื่อๆไม่ใช่รู้แล้วแหมมีความสุขจังเลยนั่งยิ้มอันนั้นไม่ใช่นะนั้นเป็นตัวศรัทธาที่งงหลงงมงายเป็นศรัทธาวิปยุตพอตอนบ่ายไปเกิดจะหาแล้วเมื่อเช้าหายไปไหนตอนบ่ายไม่เห็นมีเมื่อวานมีวันนี้หายไปไหนเป็นธรรมะตัณหาทันที ปฏิบัติไปดันที่จะรู้ซื่อกลายเป็นตันหาพาทำทำด้วยความอยากก็ได้ความอยากแทน mm. ปัญญาก็ไม่เกิดบางทีก็มีปัญญามากไปดันที่จะนั่งยกมือกับเป็นความไม่เชื่อ mm. กับเป็นความสงสัยลังเลขึ้นมาเพราะปัญญามากเกินไป mm. เคยรู้จาก mm. คนนั้นคนนี้คนนู้นวิธีการนั้นวิธีการนี้วิธีการนู้นยังไม่ปลงใจ ยังหันเหรียหันขวางอย่างสับสนในวิธีการปฏิบัติการที่จะเคลื่อนกระทบรู้สึกปั๊บมันกลับไปอยู่กับความคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมีความพอดีสมาธิก็ต้องมีความพอดีขยันเคลื่อนเคลื่อนแล้วก็รู้นิ่งๆไปสติะระลึกรู้ก็ต้องรู้ให้เป็นปัจจุบันรู้ให้ถูก กรรมฐานก็คือที่ตั้งของการกระทาทําตรงไหนก็รู้ตรงนั้นแหละการเคลื่อนมือก็รู้การเคลื่อนไหวของมือแหละเป็นประธานอาจจะรู้ลมหายใจตากระพริบนะท้องพองยุบอันนั้นคือความเป็นเองเป็นรองเรื่องที่ก็มีรถผ่านไปผ่านมามีเสียงอันนั้นเป็นรองตัวหลักก็คือการเคลื่อนไหวจะนายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึก นี่แหละมันเป็นความพอดีของนักปฏิบัติที่จะต้องสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงจนมันฉลาดขึ้นมาจับประเด็นได้เมื่อมันเกิดความถึงพร้อมขึ้นมามันก็จะได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไม่อยากรู้ก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นไม่อยากมีมก็ต้องมีพร้อมคือสัจจคความจริงนะเราก็จึงไม่ต้อง เที่วเวลาเก้าแต่ละเก้ามันก็ถึงอยู่แล้วเป็นปัจจุบันมันถึงทุกเก้ามันถึงทุกๆขณาที่รู้สึกมรรคผลนิพพานมรรคผ ล, ผลนผลิพพานเป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผลนะรู้สึกสติศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในความรู้สึกทั้งหมดความหลบความโกรธความหลงความรักความชัง กิเลสตันหาปรานก็คือความรู้สึกเมื่อเรารู้ที่กายถูกมันก็ถอดละหัดห้ทั้งหมดนั่นแหละไม่มีตรงไหนส่วนไหนที่ปิดบางกำแพงได้หรอกพอเรามารู้เราเรื่องคนอื่นแค่ป ก, ป, ก ป, ป, ปิดเราถึงรู้เราก็รู้ด้วยการคิดคาดการณ์คำนวณก็ไม่ใช่เขาว่าเราว่ากับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือความเป็นจริง มันจอดไม่ได้ปกปิดจอดเล้นไม่ได้เปิดของที่ปิดหงายของที่ควา่ามันก็น่าอัศจรรย์ตรงนี้เราทำมานน่าอัศจรรย์อัศจรรย์ที่สุดก็ตรงนี้ละตรงที่ว่ามันเห็นกิเลสนะเราฝึกสติไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกตัวไปเรื่อยมันเห็นกิเลสนะมันไม่ใช่ศึกษาจากตำรับตารา มันไม่ใช่ศึกษาจากการที่ฟังแตเป็นการศึกษาตรงๆนะตรงประเด็นเลยการหันหน้าหันตากลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองอ่านตัวเองออกแล้วก็บอกได้ด้วยมันคืออะไรคืออะไรมันบอกได้แล้วก็หยิบสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้เกิดประโยชน์ด้วยที่สาคัญมันไม่ใช่ว่ากลายเป็นเรื่องว่า คนละครัว้วคนละครั่วเป็นศัตรูมันกลายเป็นธรรมชาติที่สติปัญญาหยิบ ม, มาใช้แล้วเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าด้วยมันจึงเป็นเพียงแค่ธรรมะธรรมดาธรรมาความง่วงก็มีประโยชน์หลายตัวความคิดก็มีประโยชน์ เราไม่ได้ห้ามความคิดแต่เราเห็นความคิดเรารู้นละที่อยู่เขาอยู่ตรงเนี้ยมารู้ว่าความคิดอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยิมมาใช้บางทีไอ้ตัวรักคิดเนี่ยมันก็เป็นตัวปัญญาเหมือนกันเช่นจะประสบการณ์ที่มันเคยมีแต่ละคนแต่ละคนนะทั้งชีวิตเนี่ยจริงๆมันรู้อะไรอยู่เยอะแล้วก็รู้ถูกโดยไม่ใช่รู้ผิดเช่นเราเห็นรหัสธรรมชาติ มันร้อนอ้าวเดี๋ยวฝนจะตกมันคิดแล้วเดี๋ยวฝนจะตกแล้วคิดถูกด้วย <Yeah. S 2> ก็เหมือนกับหมอเห็นหน้าคนไข้แล้วก็รู้ด้วยเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยจึงเป็นหลักเป็นศาส ต, ต่างๆเต็มโลกเลย <Yeah. S 2> เอาหาเงินหาทองกันเป็นธุรกิจบุญบ้างเป็นพุทธปาณิชบ้าง <Yeah. S 2> ก็ไม่ได้ถือว่าปิด yeah. หลายคนก็ได้ไประโยชน์อย่างเช่นว่าเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วนี่ไปเดินอยู่ที่ดอยสุเทพก็เห็นรหัส <c oughs> ก็ก็บูรณะพระธาตุดอยสุเทพใหม่ติดทองเหลืองอลามเราเห็ น, นกลไกของคนที่เข้าไปอยู่ในระบบนั้นน่หลายคนนิ่งสงบมี กลิ่นทูปวันเทียนมีดอกไม้หลายคนมีความสงบแล้วก็เดิน<ม>บางคนก็ใช้คำริกรรมท่องมนต์สวดมนต์เดินสงบ<ม>จิตใจเป็นบุญ<ม>บางคนก็มีท่าทางอาการกราบพระ เป็นความสุขมีพิธิเป็นคุณธรรมฝ่ายบวกเกิดขึ้นมาเป็นาศาสนพิธีาศาสนวัตถุอันนี้ก็เกิดจากตัวปัญญาวนะวิธีคิดทำให้คนมาอยู่ในกรอบน่หนึ่งไม่โมโหโทโสเอาอารมณ์กรดหรือว่าพูดจาด้วยความคึกคะนอง มีอาการของกายวิชาใจที่สงบสัมรวมเป็นกรอบเป็นปัญญาเป็นวิธีคิดแล้วก็มองจิตของคนแล้วก็เหมือนของเราของเราก็ดูอยู่รู้อยู่ของเขาเขาก็รู้ของเขาอยู่แต่เขเข้าไปอยู่ในตัวรู้กลายเป็นความสุขยึดความสุขกลายเป็นพิธียึดวิธีกลายเป็นความสงบยึดความสงบแต่เราดู เมื่อเราดูแล้วเห็นสิ่งเหล่านั้นเราก็รู้ตําแหน่งอ๋อนี่คือรมบุญเป็นฝ่ายขุศนเป็นฝ่าความฉลาดเป็นจารีตเป็นพรพณีเป็นจริยธรรมเป็นคุณธรรมเป็นศีลธรรมเขาสร้างศีลบารมีกันแบบนั้นแต่ของเรากลับกายเป็นว่าศีลก็คือความเป็นปกติทุกครั้งที่รู้สึกตัว เราเห็นความเป็นปกติมันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมันก็เต็มอิ่มอยู่ในจิตในใจของเราคือพื้นที่ของจิตเป็นนะพื้นที่ที่มีความปกติอยู่มาเกิดความคิดเกิดขึ้นมากุศลนะกุศลเราก็ได้เห็นเลยความฉลาดความไม่ฉลาดมันเกิดอาการว่าไหวขึ้นมาองค์ษษษสมเด็จสามามังเจ้าก็เลยเปรียบเทียบว่า สตนี่เปรียบเหมือนรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดแตเป็นธรรมนี้ใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงจัดเล็กจัดน้อยก็หมายถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมมันก็อยู่ในรอยเท้าช้างทั้งหมดเหราะันกันที่เราได้ฝึกสติเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้เราสร้างธรรมสร้างคุณธรรมที่นะมีคุณนันมันเป็นคุณค่าที่นะ ประเมินค่าไม่ได้ทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนยนะมันเกิดความเป็นปกติขึ้นมามันเป็นพลังของศีลนะมันเกิดอุเบกขาขึ้นมาเป็นพลังของปัญญามันรู้และเฉยอ่ะมันคมในฝักนะตัวเนี่ยเพระาะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยปนฏะิบัติธรมต้องแก้งโง่นะอันดับแรกเลยคุณสมบัติของนักงานแก้งโง่ไว้ก่อนรู้ซื่อซื่อรู้แบบแม่อะไรเนี่ยลนะ่ะ เคยเป็นอะไรมาก็ตามบางคนอาจจะเรียนสูงนะมีงานมีการทําเยอะเงินเยอะนะมีทรัพย์สินเจริงฐานแต่บัดนี้เราฝึกปล่อยฝึกวางนะเพื่อใพื้นที่ของจิตเนี่ยมันเจริญงอกงามนะได้แสงสว่างแห่งปัญญาพุทธะแล้วความรู้สึกตัวจะค่อยๆนําเราไปทีละเก้าทีละเก้าทีละเก้านี่ละนะนะอันนี้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก โดยไม่ตองเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียไปลำเวลากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายเป็นวัดใจเป็นพระทุกๆขนานดะพระอยู่วัดใจอยู่ากายตัวรู้สึกจะเป็นตัวแทนระหว่างกายกับใจนะมันเป็นอาการกิริยากายเคลื่อนไปมันเป็นกิริยาความรู้สึกที่ปรากฏเป็นอาการ มโนวิญญาณก็จับจนกระทั่งมันเลิกประโยชน์มันเคยไหลเข้าไปในความคิดนะเป็นสัตว์นรลกเป็นอาสูนกายเป็นเดรฉานเป็นเปรตจิตต่ำจิตตกเปรตหมายถึงว่าอยากไม่หยุดเดรฉานขวางแหลกดีก็ไม่เอาอาคติซะแล้วฟังยังไงก็เหตุผลฟังไม่คืนหรอก ถึงดีก็ไม่เอาจิตเดรอดฉานสัตว์นรกก็คือรุ่มร้อนทำละร้อนมาก ท, ทั้งทั้งที่มันควรจะทำแล้วก็จิตใจสงบเย็นแต่ยิ่งทำยิ่งร้อนบดหงิดปฏิฆะเกิดโทสะบางทีอากาศ ร, ร้อนๆอนเห็นหน้าคนที่เราเคยไม่ชอบหรือว่าเหตุการณ์เก่าๆที่คนเคยทำร้ายๆกับเราเอาไว้ อย่าเอาคืนอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นอาการของสอารนรกอสุ ร, รกายก็คือขี้ขาดขี้กลัวถ้าขี้ขาดขี้กลัวมันจะเป็นจิตแล้วนะอสุ ร, รกายอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วอ๋อจิตแล้วสถานนี้พระูม่มต่ำเราก็แก้ตลอดทุกครั้งที่จิตมันตกจิตมันต่ำเราก็ยกขึ้นมายกให้มันสูงวิธียกก็คือเดินจงกรมสร้างจังหวะ ทุกทุกขนาดมัอนไฮดรลิกที่มันยกจิตเราขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นมันรถมันติดหลมชีวิตติดหลมกม็เหมือนกับรถติดหล่มเสร็จแล้วมันติดหลมเราก็ขันขึ้นมาแงะๆๆๆๆงก็เหมือนกับความรู้สึกตัวนั่นแหละยกจิตขึ้นมาก็เหมือนกับย ok กล้อด้วยไฮดรลิกอย่างเงี้ยเหมือนกันชีวิตของเราบางทีเหมือนรถติดหลมจริงจริงมรสุมชีวิตมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทียิ่งเร่งน่ะ ทั้งกินน้ำมันทั้งเครื่องพังทั้งเผาขาดเนี้ยเร่งไม่ได้ต้องจอดดับเครื่องก่อนแล้วก็ไปหาเพื่อนหากลย ไ, ไม่น่าช่วยใส่ให้หน่อยบางทีไม่ต้องสตาร์ทเลยปลดเกียร์ว่างอะไรก็ช่วยใส่นี่แหละรถมันก็เลิกติดหล่มแล้วแต่ส่วนใหญ่คนขับรถเป็นาดินอยู่นั่นจนเป็นหลุมลึกนะเห็นรอยทั้งรอยอะรถติดอะดิ้นกันอยู่นั่นนะจริงๆเรื่องง่ายนิดเดียวก็ดับเครื่องปลดเกียร์ว่างแล้วก็ใส่ที่แชร์ไปได้หมดนะ แต่เราขาดปัญญาแบบนี้นะชีวิตเราต้องหยุดทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นการหยุดนะหยุดที่จะเพ่งออกไปข้างนอกตัวเพ่งโทษนะเป็นนักโทษคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีดีเข้าตัวช่วยให้คนอื่นนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นม า, มาโทษตัวเองนะตัวเองทําให้ตัวเองทุกทําไมนะตัวเองทําให้ตัวเองทุกไม่พอเองทำให้คนอื่นทุกอีกทําไมนะั่นก็เลยเป็นปัญญาแบบเนี้ย ปัญญาภาวนาก็กลับมาดูแลตัวเองให้คุ้มมันก็จึงสามารถพบแล้วก็เข้าถึงได้ทุกคนที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดมันก็ไม่แปลกอะไรมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเมื่อมีผิดก็มีถูกมันก็จึงเป็นเรื่องที่ เหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลเหนือชอบเหนือไม่ชอบเพียงแคนะ่รู้สึกตัวจิตเรามันก็ไม่ทุกข์ซะแล้วอยนะ่างเงี้ยไม่ไปทุกข์ยออะไรกันอีกนะทุกๆกขณะนะส่วนเรื่องอื่นเราเกี่ยวข้องไปตามกาลเทศะหน้าที่นะเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะก็เลยสนุกนะชีวิตเป็นชีวิตที่สนุกนะเป็นกําไรของชีวิตนะโอ้สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ 2,000 กว่าปีที่ค้นพบมาแล้วก็ยังไม่ได้หายไปไหนหลวงพูเตียนจิสโุโภเป็นปรมาจารย์ทางด้านการจราศีสารนิฐานสารตอนบนจังหวัดเลยพวกนี้ก็จะมีการเดินธรรมญาตา่าวันนี้ก็ไปรวมตัวกันก็ ค, คิดว่าเดี๋ยววันนี้เช้าจะออกตอนตีสี่ขอไปร่วมด้วยจริงๆเห็นคุณค่ามากๆนะวิธีการหลวงพูเทียนแล้วก็อยากนําำลงรักษาให้น มันไม่เพี้ยนไปให้เอกลกักษณของหลวงพ่อเทียนยังดำรงคงอยู่ไม่มีเนื้อ ง, งอกมากหรือว่าทใไมเข้าถึงยากในน้อยเป็นเรื่องคุณภาพที่กว่าปริมาณจะเป็นเรื่องของปริมาณแล้วก็มันมันยุ่งเหยิงสับสนมากความเป็นความอยู่ต้องอยู่กันเสีย เ, เวลาแต่พอเราเคลื่อนมือรู้สึกในน้อยคนในน้อยเรื่องที่ทำ พุทธศาสนาไม่มีเรื่องมากเกี่ยวกับการสานน้วัตถุสานนพิธีสานนบุคคลศาสนสถานศาสนธรรมก็นี่ความรู้สึกตัวเป็นเรื่องที่เราทําแล้วเข้าถึงธรรมเลยศาสนาคือตัวเราศาสนธรรมก็คือเรื่องการกระทํำของเรากรรมฐานแล้วเข้าถึงธรรมชาติทันทีเราก็จึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดนัเคลื่อนไหวรู้สึกกันเอาเองก็แล้วกัน ได้เพราะพวก น, นี้วันทั้งวันมีอิสระเต็มที่นั่ <Wow. S 2> งเดินยืนนอนจะใช้บรรยากาศที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวไปเสียเวลาพูดคุยกันเราเสียเวลากันมานานแล้วเรื่องแบบเนี้ให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสุดๆทุกๆสถานที่แต่ลงนิ้วแต่ละตั้งนิ้วของวัดป่าสูงตัวเคลื่อนไบรู้สึกกันอย่างเงี้ยนะย <un> ิ่งกลุ <olve sulla Laughs> ่มปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากเรามี หน้าที่จัดไว้ให้บ้างเพื่อให้รู้จักการใช้สติจญสติกับการทำงานเชนะ็ดกวาดปัดถูร่างถ้วยรังชามล่า ง, าางห้องน้าพวกนะี้จัดไว้ให้เล็กๆนะเพื่อเราได้สังเกตว่าในรูปแบบนอกรูปแบบนะแล้วก็ทำเป็นจะได้ไปขยายผลพอกลับไปจะไดนะ้มีโอกาสที่จะเจริญสตนะิอยู่ในทุกๆหน้า ที่เป็นชีวิตประจําวันของเรา <Yeah. S 1> เป็นผู้ที่มีปกติรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันจะ่าตั้งไม่จําเป็นจะต้องมาวัดมาวาอะไก็ไดนะ้เพราะกายเราคือวัดจิตใจทุกอย่างรู้สึกตัวมันเป็นพระตลอดอะก็ยอมไม่ให้นะะก็คิดว่าสมควรแก่เวลากราบพระพร้อมกัน